หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่บรรยายในการอุรมพระธรรมทูต ท, ที่วัดจักรวรรยุราชาวาดพุทธศักราช 2,529 ท่านพระเถรานุเทระที่เคารพนับถือทุกท่านการบรรยายในวันนี้ท่านกำหนดให้พูดเรื่องกรรมเรื่องกรรมเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนา นอกจากสําคัญแล้วก็เป็นหัวข้อที่คนมักมีความสงสัยเข้าใจกันไม่ชัดเจนในหลายแง่หลายอย่างบางครั้งก็ทำให้นักเผยพระพระพุทธศาสนาประสบความยากลำบากในการที่จะชี้แจงอธิบายหรือตอบปัญหาไขข้อสงสัยแนวการอธิบายเรื่องกรรมการอธิบายเรื่องกรรมนั้น โดยทั่วไปมักจะพูดกันเป็นสองแนวแนวที่ได้ยินกันมากก็คือแนวที่พูดอย่างกว้างๆเป็นช่วงยาวๆเช่นพูดว่าคนนี้เมื่อสมัยก่อนเคยหักขาไก่ไว้แล้วต่อมาอีกกี่สิบสามสิบปีโดนรถชนขาหักก็บอกว่าเป็นกรรมที่ไปหักขาไก่ไว้หรือคราวหนึ่งหลายสิบปีแล้วไปเผาป่าทำให้สัตว์ตาย ต่อมาอีกนานทีเดียวอาจจะแก่เท่าแล้วมีเหตุการณ์เป็นอุบัติภัยเกิดขึ้นไฟไหม้บ้านแล้วถูกไฟคลอกตายนี่เป็นการอธิบายเล่าเรื่องหรือบรรยายเกี่ยวกับกรรมแบบหนึ่งซึ่งมักจะได้ยินกันบ่อยๆการอธิบายแนวนี้มีความโลดโผนน่าตื่นเต้นน่าสนใจบางทีก็ อ, อ่านสนุกเป็นเครื่องจูงใจคนได้ประเภทหนึ่งแต่คนอีกพวกหนึ่ง ก็มองไปว่าไม่เห็นเหตุผลชัดเจนการไปหักขาไก่ไว้กับการมาเกิดอุบัติเหตุรถชนในเวลาต่อมาภายหลังหลายสิบปีนั้นมีเหตุผลเชื่อมโยงกันอย่างไรผู้ที่เล่าก็ไม่อธิบายชี้แจงให้เห็นทำให้เขาเกิดความสงสัยคนที่หนักในเรื่องเหตุผลเมื่อไม่สามารถชี้แจงเหตุปัจจัยเชื่อมโยงให้เขามองเห็นชัดเจนเขาก็ไม่ยอมเชื่อ ยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่ถือว่าวิทยาศาสตร์เจริญคนต้องพูดจา ก, กันให้มีเหตุผลอธิบายให้เห็นจริงเห็นจังได้ว่าเรื่องโน้นกับเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อเราไม่ชี้แจงเหตุผลเชื่อมโยงให้เขาเห็นเขาก็ไม่ยอมเชื่อก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นและเราก็ชอบอธิบายกันในแง่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถน้อมใจ คนจำนวนม่ใช่น้อยที่ถือตนว่าเป็นคนมีเหตุผลหรือเป็นผู้มีลักษณะจิตใจหรือมีท่าทีแบบวิทยาศาสตร์การอธิบายแบบที่สองก็คืออธิบายในแง่ของเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงให้เห็นชัดซึ่งกลายเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ยากอยู่จะต้องอาศัยการพินิษ์พิจารณาและการศึกษาหลักวิชามาก และการอธิบายในแนวแยกแยะเหตุผลนี้บางทีเป็นเรื่องที่หาถ้อยคำมาพูดให้มองเห็นชัดเจนได้ยากจึงเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้หรือเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะอธิบายเพราะคนส่วนใหญ่จะมาพบกันในที่ประชุมเพียงช่วงเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งจะพูดกันได้ก็แต่เรื่องในขั้นตัวอย่างหยาบๆมองช่วงไกลๆเท่านั้นสำหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้คิดว่า เราควรจะมาหาทางพิจารณาในแง่วิเคราะห์หรือแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลเท่าที่จะเป็นไปได้ขอให้ลองมาพิจารณาดูกันว่าจะอธิบายได้อย่างไรความหมายและประเภทของกรรมก่อนที่จะพูดเรื่องกรรมนั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายของกรรมเสียก่อนว่า คำมีความหมายว่าอย่างไรแม้แต่เรื่องความหมายของคําก็เป็นปัญหาเสียแล้วลองไปถามชาวบ้านดูว่ากรมแปลว่าอะไรเอาคําพูดในภาษาไทยก่อนบางทีเราพูดว่าลัทธิบุญแต่กรรมกรรมในที่นี้หมายถึงอะไรกรรมในที่นี้มาคู่กับบุญพราะกรรมมาคู่กับบุญเราก็แปลบุญเป็นฝ่ายดี บุญอาจเป็นการกระทำที่ดีหรือผลดีที่จะได้รับส่วนกรรมก็กลายเป็นการกระทำชั่วหรือผลชั่วที่ไม่น่าพอใจนี่คือความหมายหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าใจดังนั้นชาวบ้านส่วนมากพกอได้ยินคําว่ากรรมแล้วไม่ชอบเพราะมีความรู้สึกในทางที่ไม่ดีมองกรรมว่าเป็นเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมและบุญนี้จึงเป็นเครื่องชี้ชัดอย่างหนึ่งว่า คนเข้าใจความหมายของกรรมในทางไม่ดีเอาบุญเป็นฝ่ายข้างดีแลออกกรรมเป็นฝ่ายตรงข้ามหรืออีกตัวอย่างหนึ่งว่านายคนหนึ่งได้ไปประสบเคราะห์ร้ายบางคนก็บอกว่ามันกรรมของเขากรรมในที่นี้หมายความว่าอย่างไรเช่นนั่งเรือไปในทะเลเรือแตกจมน้ำตายหรือถูกพายุพัดมาแล้วเรือล่มตายไป อุบัติเหตุอย่างนี้เราบอกว่ามันกรรมของเขาหมายความว่าอย่างไรคำว่ากรรมในที่นี้เรามองเป็นผลร้ายที่เขาได้รับเป็นเคราะหหรือเป็นผลไม่ดีที่สืบมาจากปางก่อนนี่ก็แสดงว่าเรามองคำว่ากรรมในแง่อดีตมองในแง่ที่เป็นเรื่องผ่านมาแล้วมาแสดงผลและเป็นเรื่องไม่ดีได้แง่สองแง่เท่านั้นคือหนึ่ง เป็นเรื่องข้างไม่ดี 2. เพ่งเน้นในทางอดีตและในเวลาเดียวกันก็มองไปในแง่เป็นผลด้วยอย่างที่บอกว่าจงก้มหน้ารับกรรมไปเถิดนี่หมายความว่าอย่างไรรับกรรมหรือรับผลของกรรมนายคนหนึ่งไปลักของเขามาถูกจับได้ค้างคุกคนอื่นก็มาปลอบใจว่าเอ็งก้มหน้ารับกรรมไปเถอะนะเรามาทําไม่ดี กรรมในที่นี้กลายเป็นผลคือเป็นผลของกรรมนั่นเองนี่คือความหมายของกรรมที่เราใช้กันในภาษาไทยในฐานะที่เป็นผู้เล่าเรียนศึกษาแล้วลองวินิจฉัยดูว่าความหมายเหล่านี้ถูกหรือไม่ความหมายที่เน้นไปในทางไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีคู่กับบุญเป็นเรื่องที่เน้นอดีตและมองไปที่ผลอย่างนี้ถูกหรือไม่ เราก็จะมองเห็นได้ชัดว่าถ้าเอาหลักธรรมแท้ๆมาวินิจฉัยแล้วความหมายเหล่านี้คลาดเคลื่อนได้เพียงแง่เดียวข้างเดียวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายที่แท้จริงเพราะว่ากรรมนั้นแปลว่าการกระทาเป็นกลางๆจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้บุญก็เป็นกรรมบาปก็เป็นกรรมหมายความว่าบุญคู่กับบาป แต่คนไทยมีบ่อยๆที่เอาบุญมาคู่กับกรรมเอากรรำเป็นข้างร้ายอย่างที่ว่าก้มหน้ารับกรรมไปเป็นเรื่องมองที่ผลซึ่งที่แท้จริงกรรมนั้นเป็นตัวการกระทําซึ่งจะเป็นเหตุต่อไปผลของกรรมท่านเรียกว่าวิบากหรือจะเรียกว่าผลเฉยๆก็ได้แต่ตัวกรรมแท้ๆนั้นไม่ใช่ผล ในเมื่อในภาษาที่เราใช้กันอยู่นี้คลาดเคลื่อนความหมายไม่ตรงกับหลักที่แท้จริงก็เป็นเครื่องแสดงว่าได้มีความเข้าใจคว้เขวในเรื่องกรรมเกิดขึ้นเพราะภาษาเป็นเครื่องแสดงว่าคนมีความเข้าใจอย่างไรเพราะฉะนั้นในขั้นต้นนี้เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่ากรรมคืออะไร ถ้าประชาชนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรรมเป็นเรื่องของการกระทาที่ร้ายที่ชั่วเราก็ต้องแก้ไขความเข้าใจให้เห็นว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่าเป็นบุญหรือบุญยกรรมถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็เรียกว่าบาปหรือบาปกรรมหรือมิฉนั้นก็เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมและอกุศ ล, ลกรรม จะต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นเรื่องพื้นฐานขั้นต้นๆซึ่งได้เห็นแล้วว่าแม้แต่ความหมายเราก็มีความไขว้ควเวกันแล้วในเมื่อเราเห็นว่าความเข้าใจของชาวบ้านไขว้เววไปเราก็ต้องชักจูงเขาเข้ามาหาความเข้าใจที่แท้จริงคำถามข้อแรกก็คือความหมายตามหลักว่ายอย่างไรจะลองยกข้อความในพระสูตรหนึ่ง ชื่อว่าวาเสตสูตรมาพูดสักนิดหนึ่งในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมเป็นต้นเป็นโน่นเป็นนี่ก็เพราะกรรมจากคำพูดที่ได้ฟังกันแค่นี้ก็ขอให้มาสำรวจดู ก, กันว่า ใครเข้าใจคำว่ากรรมนี้ว่าอย่างไรหลายท่านเช่นถ้าบอกชาวบ้านว่าที่เป็นชาวนาเนี่ยก็เพราะกรรมเขาก็คงจะคิดว่าหมายถึงชาติก่อนได้ทำอะไรไว้ได้ทำกรรมอะไรบางอย่างไว้จึงทำให้ชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นชาวนาหรือถ้าบอกว่าเป็นกษัต ร, รก็เพราะกรรมเขาก็คงจะเข้าใจไปว่าอ๋อคนเนี้ยคงจะได้ทำอะไรดีไว้ อาจจะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นชาตินี้จึงมาเกิดเป็นกษัตริย์แต่ลองไปดูในพระสูตรสิว่าท่านหมายถึงอะไรในพระสูตรคำว่าเป็นชาวนาเพราะกรรมเป็นต้นนี้หมายความว่าในคนนี้เขาดำนาหวานข้าวไถานาเขาก็เป็นชาวนาการที่เขาทำนานั่นเองก็ทำให้เขาเป็นชาวนา คือเป็นไปตามการกระทาหรืออาชีพการงานของเขาอีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินเขาก็เป็นปุโรหิตเป็นไปตามอาชีพการงานของเขาแต่ในคนนี้เป็นรักของเขาไปปล้นเขาก็กลายเป็นโจรตกลงว่า ก, กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทาอาชีพการงานทั้งหลายเป็นขั้นที่มองดูอย่างหยาบๆนี่คือความหมายของกรรมที่น่าพิจารณา ซึ่งเห็นได้ว่าท่านมุ่งเอาที่สิ่งซึ่งมองเห็นในปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักก่อนเพราะการกระทํานี้เป็นคำกลางๆไม่ได้พูดว่าเมื่อไรถ้าพูดถึงการกระทําเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามการกระทํานั้นๆก็เป็นกรรมแต่เมื่อมองลึกเข้าไปก็ต้องมองให้ถึงจิตใจเมื่อมองลึกเข้าไปถึงจิตใจ เราก็คงจะจำพุทธพจน์ได้ที่ให้คำจำกัดความบอกความหมายของกรรมว่าเจตนาหางพิกเวกัมมังวัามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมตกลงว่าเจตนาตัวความคิดจงใจเจตจำนงความตั้งจิตคิดมุ่งหมายนี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลจงใจ มีเจตนาอย่างใดแล้วก็แสดงออกมาเป็นการกระทาทางกายบ้างแสดงออกมาทางวาจาเป็นการพูดบ้างนี้ก็คือความหมายที่แท้จริงของกรรมที่ค่อยๆมองละเอียดเข้ามาเมื่อมองหยาบๆข้างนอกกรรมก็คืออาชีพการทำงานการดำเนินชีวิตของเขาแต่มองลึกเข้าไปถึงจิตใจก็เป็นตัวเจตนา จากนี้เราก็มาแบ่งประเภทของกรรมออกไปเมื่อว่าโดยทางแสดงออกถ้าแสดงออกทางกายทาโน่นทํานี่ก็เป็นกายกรรมถ้าแสดงออกทางวาจาโดยพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมถ้าแสดงออกทางใจอยู่ในระดับความคิดคิดปรุงแต่งไปต่างๆก็เป็นมนโนกรรมและกรรมโดยทั่วไปนั้นเมื่อจาแนกโดยคุณภาพก็แบ่งเป็นสองอย่างคือเป็นกรรมดี เรียกว่ากุศลกรรมเป็นกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมในบางแห่งท่านจำแนกออกไปเป็นหลายอย่างมากกว่านี้อีกเช่นกรรมที่หนึ่งเป็นกรรมดำกรรมที่สองเป็นกรรมขาวกรรมที่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวและสี่กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นการอธิบายละเอียดขึ้นไปอีกกรรมดาคืออะไรยกตัวอย่างเช่น กุศลกรร ม, มบทมองให้เห็นหยับๆก็คือการกระทาที่เป็นการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกรรมขาวก็คือกรรมที่ตรงกันข้ามกับกรรมดํานั้นไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียนแต่เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมทำให้ผู้อื่นมีความสุขละกรรมทั้งดําทั้งขาวก็คือกรรมที่ปะปนกัน มีทั้งการกระทาที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนและไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนสุดท้ายมาถึงกรรมไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมยกตัวอย่างเช่นโพชงเจ็ดมักมีองคปดซึ่งบางทีก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมที่ไม่ดาไม่ขาวและเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกลับทำให้เราสิ้นกรรมไปด้วยซ้า เมื่อมองละเอียดถึงความหมายที่แยกประเภทอย่างนี้เราก็เห็นชัดขึ้นมาว่า <c oughs> กรรมนั้นอยู่ที่ตัวเราทุกๆคนที่ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ทุกเวลานี่เองเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดข้อปฏิบัติต่างแม้แต่การปฏิบัติธรรมชั้นในไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมรตมีองแปดการเจริญโพชงเจตก็เป็นกรรมทั้งนั้นไม่พ้นเรื่องกรรมเลย จะเห็นว่ากรรมในความหมายนี้ละเอียดกว่ากรรมที่เคยพูดในเรื่องไปหักขาไก่เผาป่าครอกสัตว์หรืออะไรทานองนั้นต้องแยกแยะ ก, กันให้ละเอียดอย่างนี้เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจะอธิบายกันอย่างไรให้เห็นว่ามันจะออกเป็นผลกรรมได้ทำไมการกระทาจึงออกผลอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณา นี้ถือว่าเป็นความเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นที่ว่าจะต้องพูดกันในเรื่องความหมายของกรรมให้ชัดเจนเสียก่อนว่ากรรมคืออะไรกรรมในฐานะกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลแง่ที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับกรรมยังมีอีกหลายอย่างเช่นเราจะต้องมองกรรมในแง่ของกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล กรรมก็เป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนานั้นถือหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรื่องกรรมก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยนี้หลักเหตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทและกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น ลองไปแยกแยะปฏิจจสมุปบาทที่จำแนกเป็นองค์สิบสองคู่ท่านจะสรุปให้เห็นว่าองค์สิองของปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการนั้นประมวลเข้าแล้วก็เป็นสามส่วนคือเป็นกิเลสกรรมและวิบากจะเห็นว่ากรรมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั้นคือส่วนที่เรียกว่ากรรมอยู่ในวงจรที่เรียกว่าไตรวัดได้แก่กิเลสกรรมวิบาก หมวดที่หนึ่งอวิชชาตันหาอุปาทานท่านเรียกว่าเป็นกิเลสหมวดที่สองสังขารภพท่านเรียกว่าเป็นกรรมหมวดที่สามคือนอกจากนั้นมีวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะเป็นต้นเรียกว่าเป็นวิบากมีสามส่วนอย่างนี้การศึกษาเรื่องกรรม ถ้าจะเอาละเอียดแล้วต้องเข้าไปถึงหลักปฏิจจสมุปบาทถ้าต้องการพูดเรื่องกรรมให้ชัดเจนก็หนีไม่พ้นที่จะศึกษาหลักธรรมให้ลึกลงไปถึงหลักยังเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เพราะที่มาของหลักกรรมอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจะต้องตัดให้เห็นว่าองค์ของปฏิจจสมุปบาทสิบสองประการนั้นมาออกลูกเป็นกิเลสกรรมและวิบาทย่างไร จากนั้นก็ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของกิเลสกรรมและวิบากเช่นคนมีความโลภเป็นกิเลสเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำกรรมเช่นไปลักของเขาถ้าได้มาสมหวังก็ดีใจเรียกว่าได้วิบากคือสมหวังมีความสุขเมื่อเขาจับไม่ได้ก็ยิ่งมีความกำเริบใจอยากได้มากขึ้นก็เกิดกิเลสโลภมากยิ่งขึ้นก็ไปลักอีก และเกิดเป็นวงจรกิเลสกรรมวิบากเรื่อยไปแต่ถ้าถูกขัดคือโลภเปลักณ์ของเขาถูกขัดขวางก็เกิดโทสะเกิดโทสะเป็นกิเลสก็เกิดการต่อสู้กันฆ่ากันทำร้ายกันก็เป็นกรรมขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดวิบากคือเจ็บปวดเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความทุกข์ซึ่งอาจรวมถึงถูกจับไปถูกลงโทษดังนี้เป็นต้น นี่เป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากที่อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นแง่หนึ่งคือการที่ต้องมองเรื่องกรรมตามแนวของกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลหรือเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราเรียกว่าอิทัปปัจจะตาอันนี้ขอข้ามไปก่อน กฎแห่งกรรมในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยามห้าเมื่อเราเข้าใจแง่ต่างๆในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมแล้วก็ควรเข้าใจต่อไปด้วยว่ากรรมนี้เราถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งเรามักจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้สัพท์ทางวิชาการแท้ๆท่านเรียกว่ากรรมนิยาม กรรมนิยามแปลว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลอย่างหนึ่งแต่ในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่ากฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่กรรมนณิยามอย่างเดียวกฎอย่างนั้นมีหลายกฎท่านประมวลไว้ว่ามีห้ากฎ ด, ด้วยกันเรียกว่านิยามห้าหรือกฎห้ามีอะไรบ้างยกให้กรรมนิยามเป็นข้อที่หนึ่งก็ได้ 1. กรรมนิยามกฎแห่งกรรมได้แก่กฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์เช่นที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎหรือนิยามที่สองเรียกว่าจิตตนิยามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับจิตได้แก่การทำงานของจิต เช่นจิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วจะมีเจตสิกอะไรประกอบได้บ้างถ้าเจตสิกอันนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกไหนเกิดร่วมได้อันไหนร่วมไม่ได้เมื่อจิตจะขึ้นสู่วิถีออกรับอารมณ์มันจะดำเนินไปอย่างไรก่อนออกจากผวังก็มีผวังคจจลณนะคือพวังไหวแล้วจึงผวังคุ่ปัดเฉตคือตัดผวังจากนั้นมีอะไรต่อไปอีกจนถึงชาวนาจิต แลกลับตกพวังอย่างเดิมอีกอย่างนี้เรียกว่ากฎแห่งการทำงานของจิตเป็นกฎหนึ่งเรียกว่าจิตนิยามกฎที่สามเรียกว่าผีชะนิยามกฎเกี่ยวกับพืชพันธุ์เช่นปลูกมะม่วงก็เกิดเป็นมะม่วงปลูกมะนาวก็เกิดเป็นต้นมะนาวปลูกมเมล็ดพืชอะไรก็ออกผลออกต้นเป็นพืชชนิดนั้นอย่างนี้เรียกว่าผีชานิยาม สอุตุนิยามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอุตุอุตุนี้คือเรื่องอุณหภูมิสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศกฎเกณฑ์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเช่นอากาศร้อนขึ้นเราก็เหงื่อออกอากาศเย็นลงเย็นมากๆเข้าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหรือถ้าร้อนมากขึ้นน้ำก็กลายเป็นไอนี่เรียกว่าอุตุนิยาม หข้อสุดท้ายคือธรรมนิยามกฎแห่งธรรมะความเป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งทั้งหลายความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเช่นคนมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยามตกลงว่ากฎนี้มีตั้งห้ากฎ กรรมนิยามเป็นเพียงกฎหนึ่งในห้ากฎนั้นการที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาสิ่งทั้งหลายนั้นอย่าไปยึดถือว่าทุกอย่างต้องเป็นกรรมทั้งนั้นมิฉะนั้นจะกลายเป็นทัศนะที่ผิดพลาดเพราะพระพุทธศาสนาสอนไว้แล้วว่ากฎธรรมชาติมีห้าอย่างหรือนิยามห้ากรรมนิยามเป็นเพียงกฎหนึ่งเมื่ออะไรเกิดขึ้นอย่าไปบอกว่าเป็นเพราะกรรมเสมอไป ถ้าบอกอย่างนั้นจะผิดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในกอเหงื่อออกถามว่าในกอเหงื่อออกเพราะอะไรถ้าหากว่าเป็นเพราะอากาศร้อนลองวินิจฉัยซิว่าอยู่ในนิยามไหนเ้าว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมถ้าอย่างนั้นในกอเหงื่อออกก็เพราะกรรมสิลองบอกซิว่าเป็นกรรมอะไรของในกอที่ต้องเหงื่อออกไม่ใช่ในกอเหงื่อออกเพราะอะไร เพราะอากาศร้อนนี่เรียกว่าอุตุตนิยามแต่ไม่แน่เสมอไปบางทีในกอเหงื่อออกไม่ใช่เพราะร้อนก็มีเช่นในกอไปทาความผิดไว้พอเข้าที่ประชุมเขาเกิดสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดในกอมีความหวาดกลัวมากก็อาจจะกลัวจนเหงื่อออกอย่างนี้ในกอเหงื่อออกเพราะอะไรตรงนี้ตอบได้ว่าเพราะกรรมนี่คือกรรมมิยาม ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการ์อย่างเดียวกันบางทีก็เกิดจากเหตุคนละอย่างเราจะต้องเอานิยามห้ามาวัดวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเหงื่อออกอาจจะเป็นเพราะเขารู้ตัวว่าได้ทําความผิดไว้ตอนนี้หวาดกลัวว่าจะถูกจับได้จึงเหงื่อออกถ้าอย่างนี้ก็เป็นกรรมมิยาม แต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้ทำอะไรอากาศมันร้อนหรือไปออกกาลังมากๆใครๆก็เหงื่อออกได้เป็นธรรมดามีเป็นอุตุนิยามหรือถ้าน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรเป็นนิยามอะไรต้องวินิจฉัยนิยามให้ดีในเวลาตัดสินเรื่องกรรมถ้าเข้าใจเรื่องนิยามห้าจะช่วยได้มากในการอธิบายเรื่องกรรม คนเสียใจร้องไห้ก็น้ำตาไหลแต่ดีใจก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันอันหนึ่งเป็นจิตตานิยามเป็นไปตามการทำงานของจิตเป็นไปตามการทำงานของจิตจิตที่ความปลาบเริ่มดีใจหรือเสียใจก็ทำให้น้ำตาไหลแต่อาจจะบวกกับเหตุผลที่มาจากกรรมนิยามเช่นเสียใจในความผิดที่ได้กระทําไว้แต่ก็ไม่แน่เสมอไป บางทีเราไม่ได้ดีใจหรือเสียใจสักหน่อยแต่เราไปถูกควันไฟรมเข้าก็น้ำตาไหลแล้วอันนี้เป็นอะไรนิยามก็เป็นอุตุนิยามฉะนั้นการวินิจฉัยสิ่งต่างๆอย่าไปลงโทษกรรมเสียทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่ยึดถือว่าอะไรๆทุกอย่างล้วนเป็นผลเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนั้นเป็นคนที่ถือผิด เช่นในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็ตรัสไว้มีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าโรคบางอย่างเกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากอุตุคือสภาพแวดล้อมเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากเสมหะเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากดีเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากสมุดฐานต่างๆประกอบกันก็มีเกิดจากกรรมก็มีแปลว่าโรคบางอย่างเกิดจากกรรม แต่หลายอย่างเกิดจากอุตตุเกิดจากการแปรปรวนของร่างกายการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเช่นพักผ่อนน้อยเกินไปออกกําลังมากเกินไปเป็นต้นกรรมนี้เป็นเพียงเหตุหนึ่งเท่านั้นจะไปโทษกรรมทุกอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารโรคชนิดนี้บางทีเป็นเพราะฉันแอสไพรินหรือยาแก้ไข้แก้ปวดในเวลาที่ท้องว่าง พวกยาแก้ไข้แก้ปวดเหล่านี้มันเป็นกรดบางทีมันก็กัดกระเพาะทะลุอาจจะทำให้ถึงกับมรณะภาพไปเลยพวกยาแก้ไข้แก้ปวดเนี่ยมันอันตรายมากเขาจึงห้ามฉันเวลาที่ท้องว่างต้องให้มีอะไรในท้องจึงฉันได้บางคนเลือดไหลในกระเพาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดที่แท้เป็นเพราะฉันยาแก้ไข้แก้ปวดนี่เองนี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่ง แต่บางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะเป็นโรควิตกกังวลคิดอะไรต่างๆไม่สบายใจกลุ้มใจมากกลุ้มใจบ่อยๆครับเครียดจิตใจอยู่เสมอเป็นประจำจึงทาให้มีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารแล้วกรดนั้นมันก็กัดกระเพาะของตัวเองเป็นแผลจนกระทั่งเป็นโรคร้ายแรงถึงกับต้องผ่าตัดกระเพาะทิ้งไปครึ่งหนึ่งก็มีจะเห็นว่าผลอย่างเดียวกันแต่เกิดจากเหตุคนละอย่าง ที่ฉันแอสไพรินหรื อ, อยากแก้บวดแก้ไข้แล้วกระเพาะทะลุเป็นอุตตุนิยามแต่ที่คิดวิตกกังวลกลุ้มใจอะไรต่ออะไรแล้วเกิดแผลในกระเพาะเป็นกรรมนิยามจิตใจไม่ดีมีอกุศลมากก็ทำให้โรคเกิดจากกรรมได้มากมายแต่อย่างไรก็ตามเราต้องเอาหลักเรื่องนิยามห้ามาวินิจฉัยอย่าไปลงโทษกรรมทุกอย่าง แล้วบางอย่างก็เกิดจากนิยามต่างๆหลายนิยามมาประกอบกันเป็นอนันว่าเราควรรู้จักนิยามห้าไว้เวลาสอนชาวบ้านจะได้พิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบนี้อันหนึ่งเข้าใจหลักกรรมโดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม แง่ต่อไปคือจะต้องแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าติดตทไยตนะสามแปลว่าประชุมแห่งลัทธิลธัทธิดิรัตีมีสามลัทธิลธัทธิที่หนึ่งถือว่าบุคคลจะได้สุกก็ดีจะได้ทุกก็ดีมิใช่สุกไม่ใช่ทุกก็ดีล้วนเป็นเพราะกรรมที่ทาไวแต่ปางก่อนทั้งสิ้นปังให้ดีระวังนะ จะสับสนกับพระพุทธศาสนาลทัทธินี้เรียกว่าอุเพกะตะวาาลทัทธิที่สองบอกว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ทุกข์ก็ดีได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีล้วนเป็นเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บรรดาลให้ทั้งสิน้นคือพระผู้เป็นเจ้าบรรดาลให้เป็นลทัทธินี้เรียกว่าอิสุนิรมิตตวาาหรืออิสระนิมมาในเหตุตัวว่า ลทัทธิที่สามถือว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ทุกข์ก็ดีได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีล้วนแต่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นไปเองลอยๆแล้วแต่โชคชะตาไม่มีเหตุปัจจัยลทัทธินี้เรียกว่าอาเหตุวาดหลักเหล่านี้มีมาในพระคำพีทั้งนั้นติดตทายตนะทั้งสามท่านกล่าวไว้ทั้งในพระสูตรและในอภิธรรม ในพระอภิธรรมท่านเน้นไว้แต่ในพระสูตรก็มีมาในอังคุตระนิกายติ ก, กันิบาตแต่เรามักไม่เอามาพูดกันส่วนนิยามห้านั้นอยู่ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมซึ่งอธิบายถึงเรื่องกฎเกณฑ์ของความเป็นเหตุปัจจัยนิยามหานั้นสําหรับเอาไว้พิจารณาความเป็นเหตุปัจจัยให้รอบคอบอย่าไปเอาอะไรเข้ากรรมหมดส่วนติตะยัตนะหรือประชุมลทัทธิสามพวก ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาหนึ่งปุเพกตะวาดถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนสองอิส่วนนิรมิตวาดถือว่าจะเป็นอะไรอะไรก็เพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บรนดาลหรือพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสาอเหตุวาดถือว่าสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่ความบังเอิญเป็นไ ป, ปลัทธิโชคชะตา สามลทัทธินี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลัทธิที่ผิดเหตุผลคือเพราะมันทําให้คนไม่มีชันทะไม่มีความเพียรที่จะทําอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือไม่ขึ้นต่อตัวการภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ขึ้นกับการกระทําของเราโดยเฉพาะละทัทธิที่หนึ่งนั้นถือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่กรรมปางก่อนมันจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นไป เราจะทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์กรรมปางก่อนมันกำหนดไว้หมดแล้วแล้วเราจะไปทาอะไรได้ก็ต้องปล่อยแล้วแต่มันจะเป็นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธินี้เป็นลัทธิของพวกนิครนหัวหน้าชื่อว่านิครนธนตบุตรให้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่พระสูตรแรกเทวทหสูตรตรัสเรื่องนี้โดยเฉพาะก่อนเลยในอังคุตรนิกาติกนิบาศ ตรัสเรื่องนี้ไว้รวมกันสามลทัทธิแล้วแต่ในเทวทหสูตรพระไตรปิฎกเล่ 14, มสิบี่มัชฌิมานิกายอุปริปันธาตรัสเฉพาะเรื่องลัทธิที่หนึ่งไม่ตรัสลทัทธิอื่นเลยลทัทธินิโครนนี้ถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้สิ้นกรรมโดยไม่ทํากรรมใหม่และเผากรรำเก่าให้หมดสิ้นไปด้วยการบําเพ็ญตบะ ลัทธินี้ต้องแยกให้ดีจากพุทธศาสนาต้องระวังตัวเราเองด้วยว่าจะพลุนพลันตกลงไปในสามลัทธินี้โดยเฉพาะลัทธิกรรมเก่าที่ถือว่าแล้วแต่กรรมเก่าเท่านั้นคําว่ากรรมนี้เป็นคํากลางๆเป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้พุทธศาสนาเน้นปัจจุบันมากกรรมเก่าไม่ใช่ไม่มีผล มีผลสำคัญแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในปัจจุบันซึ่งเราจะต้องทำกรรมที่ดีและแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อไปภายหน้านี่พูดกันทั่วๆไปโดยหลักการก็คือต้องพยายามแยกให้ถูกต้องมีสามลัทธินี้ที่จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนเป็นเบื้องต้น ก่อนจะผ่านไปมีเกร็ดแทรกอีกนิดหนึ่งคือความเชื่อถือที่คลาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆทำให้การปฏิบัติผิดได้เช่นการถือแต่ละที่กรรมเก่าบางทีก็ทำให้เรามองคนว่าที่เขาประสบผลร้ายเกิดมายากจนหรือได้รับเคราะห์กรรมต่างๆก็เพราะเป็นกรรมของเขาเท่านั้นเมื่อเราบอกว่านี่เป็นกรรมของเขาแล้วเราก็เลยบอกว่าให้เขาก้มหน้ารับกรรมไป เราก็ไม่ต้องช่วยอะไรเมื่อเป็นกรรมของเขาเราก็วางเฉยแถมยังบอกว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยคือถืออุเบกขาวางเฉยเสียไม่ช่วยคนก็เลยไม่ต้องช่วยเหลือกันคนที่ได้รับเคราะห์ได้รับความทุกข์ยากลำบากก็ต้องลำบากต่อไปมีฝรั่งพวกหนึ่งติเตียนพุทธศาสนาว่าสอนคนแบบนี้เราต้องพิจารณาตัวเราเองว่า เราสอนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่ตามหลักพุทธศาสนาที่แท้นั้นไม่ได้สอนอย่างนี้เรื่องอย่างนี้มีความละเอียดอ่อนเราบอกว่าคนประสบเคราะห์กรรมได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนก็กรรมของเขาให้เขาก้มหน้ารับกรรมไปอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถือว่าวางอุเบกขาใช่หรือไม่อุเบกขาแปลว่าอะไรแน่ อุเบกขาคือความวางเฉยในแง่ที่วางใจเป็นกลางในเมื่อเขาสมควรจะต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นเกี่ยวกับความเป็นธรรมเพื่อรักษาความเป็นธรรมแล้วต้องวางใจเป็นกลางก่อนเมื่อจะต้องลงโทษก็ลงโทษไปเช่นศาลทำหน้าที่ให้ถูกต้องคนที่ทำความผิดมาเราก็ต้องวางใจเป็นกลางแล้วตัดสินเมื่อเขาเป็นผู้ผิด ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายก บ, บินเมืองอย่างนี้เรียกว่าวางอุเบกขาแต่การวางอุเบกขานั้นเป็นไปพร้อมกับการรักษาธรรมะคือในจิตใจมีเจตนาที่จะรักษาตัวธรรมะไว้เมื่อจะช่วยคนก็ต้องไม่ให้เสียธรรมะถ้าหากคิดเมตตาช่วยโจรแล้วเสียธรรมะก็ผิดเมตตาต้องไม่เกินอุเบกขา เมตตากรุณามุทิตารักษาคนไว้แต่อุเบกขานั้นรักษาธรรมไว้ในกรณีที่ไม่ได้รักษาธรรมะเลยและก็ไม่ช่วยคนอย่างนี้ผิดนี่ว่าอย่างรวบรัดแบบพูดกันง่ายๆฉะนั้นถ้าหากคนเขามีความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องอะไรจะไม่ช่วยการช่วยนั้นก็เป็นการทำกรรมดีของตัวเราเองด้วย และก็เป็นการเมตตาช่วยเขาให้เขาทำความดีโดยเมื่อได้รับการช่วยเหลือนั้นแล้วเขาก็มีโอกาสมีกํำลังที่จะไปทํากรรมดีอื่นๆต่อไปแต่การช่วยที่ดีที่สุดคือการช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ทั้งนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในรายละเอียดแต่การที่จะบอกเหมาลงไปว่าคนได้รับทุกยากเดือดร้อนเป็นกรรมของเขา ปล่อยให้เขารับกรรมไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องมีหลักว่าเป็นเรื่องของการรักษาธรรมะหรือไม่เหล่านี้เป็นแง่ต่างๆที่จะมาช่วยในการพิจารณาเรื่องหลักกรรมบุญบาปกุศลอกุศล อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความหมายของกรรมที่แยกเป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปในเวลาที่เราแยากประเภทกรรมเรามักแยกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือง่ายๆก็เป็นบุญเป็ น, ปนบาป osos, เป็นบุญญกรรมบาปกรรม ja เราจะอธิบายเร system, ื่องกรรมได้ชัดเจนเมื่อเราอธิบายความหมายของกุศลอกุศลบุญบาปได้ด้วย กุศลมีความหมายอย่างไรชาวบ้านมักจะมีความสงสัยหรือเข้าใจพร่ๆมัวๆเขามักจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพอบอกว่าเชิญชวนมาทำบุญทากุศลกันให้บริจาคเงินสร้างศาลาแล้วได้กุศลชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ากุศลคืออะไรบางทีเขามองกุศลคล้ายกับว่าเป็นตัวอะไร หรือเป็นอำนาจอะไรอย่างหนึ่งที่ลอยอยู่ที่ไหนไม่รู้ซึ่งมองไม่เห็นตัวและจะมาช่วยคนในเมื่อถึงเวลาที่ควรจะช่วยแต่ทีนี้ความหมายที่ถูกต้องในทางหลักธรรมเป็นอย่างไรกุศลนั้นตามหลักท่านบอกว่าแยกความหมายได้สี่อย่างความหมายที่หนึ่งว่าอโรคะแปลว่าไม่มีโรคไม่มีโรคหมายความว่า เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อสุขภาพสุขภาพในที่นี้หมายถึงสุขภาพของจิตใจทำให้จิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์เหมือนกับร่างกายของเรานี้ไม่มีโรคเป็นอย่างไรร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์จิตใจที่ไม่ถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียนก็เป็นจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์สบายคล่องแคล่วใช้งานได้ดีอย่างที่ท่านเรียกว่าควรแก่งงาน หรือเหมาะแก่การใช้งานจิตใจแบบนี้เรียกว่าเป็นจิตใจไม่มีโรคเป็นความหมายที่หนึ่งของกุศลแปลว่าไม่มีโรคความหมายที่สองเรียกว่าอนาวัชชะแปลว่าไม่มีโทษคือไม่มีสิ่งมัวหมองไม่ส ก, กรปรกไม่บวกพร่องสะอาดผ่องแผ้วผ่องใสหลอดโปร่งเป็นต้นนี้เรียกว่า ลักษณะที่เป็นอนวัชะเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ต่อไปลักษณะที่สามของกุศลคือโกสลสำพูดแปลว่าเกิดจากปัญญาเกิดจากความฉลาดหมายความว่ากุศลเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความรู้เท่าทันทําด้วยความรู้เหตุผล และทำตามความรู้เหตุผลนั้นมองเห็นความดีความชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ไม่ใช่ประโยชน์ทำด้วยจิตใจที่สว่างไม่โง่เขลามืดมัวเรียกว่าเป็นความสว่างของจิตใจเมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจสว่างไม่มืดไม่บอดมองเห็นอะไรอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งของกุศล และความหมายสุดท้ายคือสุขวิบากสุขวิบากมีสุขเป็นผลทำให้เกิดความสุขเวลาทำจิตใจให้โปร่งสบายสดชื่นร่าเริงเบิกบานผ่องใสสงบเย็นไม่เร่าร้อนบีบคั้นอึดอัดคับแค้นที่ว่ามาทั้งสี่ข้อนี้คือความหมายของกุศลเป็นลักษณะที่จะเอามาวินิจฉัย คือสิ่งที่เกิดกุศล น, นั้นจะต้องหนึ่งอโรคะไม่มีโรคเกื้อกูลช่วยให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจคล่องแคล่วใช้งานได้ดีสองอนวัชชะไม่มีโทษไม่มีมนทินไม่มัวหมองไม่เสื่อมเสียมีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปลอดโปรง่ง 3. โกศลสัมพูตร มีปัญญารู้เหตุผลรู้ดีชั่วรู้คุณรู้โทษสว่างไม่มืดมัวและสี่สุขวิบากมีสุขเป็นผลทำด้วยความโปร่งสบายทำแล้วก็แช่มชื่นเย็นใจตัวอย่างลักษณะของกุศลที่เกิดขึ้นในใจเช่นมีเมตตาเป็นอย่างไรเมตตาเกิดขึ้นในใจปับ๊บเย็นชำจิตใจไม่มีโรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมันมีความเอิบอิ่มสบายเย็นชื่นยิ้มได้ปลอดโปร่งพองใสและมีความรู้ความเข้าใจสว่างอยู่ภายในว่าคนอื่นเขามีความสุขความทุกข์อย่างไรเราควรจะมีจิตใจต่อเขาอย่างไรและมีความสุขพร้อมอยู่ในตัวด้วยแต่ในทางตรงข้ามถ้าหากมีโทสะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพอโทสะความโกรธ ความคิดประทุสร้ายเกิดขึ้นปั๊บรู้สึกร้อนแผดเผาจิตเป็นโรคจิตบกพร่องถูกบีบคั้นมันไม่สบายถูกเบียดเบียนมีความมัวหมองไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่ปลอดโปร่งไม่ผ่องใสมืดมัวเหมือนตาบอดไม่รู้ไม่คิดไม่มองเห็นบุญเห็นคุณไม่คำนึงถึงโทษไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งนั้นและมีความทุกข์คลุงพล่านเดือดร้อนใจ นี่ลักษณะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลนี้ไม่ต้องไปรอดูผลข้างนอกหรอกมันเกิดขึ้นในใจทันทีมันเป็นตัวความหมายของมันเลยเป็นกุศ ล, ลกรรมในใจพอมีขึ้นมาปั๊บก็สำเร็จความหมายในตัวทันทีความเป็นกุศลอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวแล้ว เราจะต้องอธิบายกรรมให้ลึกเข้ามาถึงความหมายในจิตใจที่เป็นพื้นแ ท, แท้ตั้งแต่ตัวมันเองเลยตัวกุศลเนี่ยมีความหมายที่ดีอยู่ในตัวของมันเองพร้อมแล้วไม่ต้องไปรอผลไกลอรคะมาจากโรคะโรคะแปลว่าโรคอรคะก็คือไม่มีโรคแล้วบวกนยิยปั จ, จัยเข้าไป เป็นภาวะตัดทิศ ต, ตามหลักวยากรเป็นอารคยะแปลว่าความเป็นอารคคือความไม่มีโรคนี่หมายถึงความไม่เป็นโรคของจิตไม่ใช่โรคของร่างกายท่านเปรียบเทียบไม่เห็นว่าจิตที่ไม่มีโรคแข็งแรงไม่ได้พูดถึงโรคของกายอย่างไรก็ตามแม้แต่ภาษิตที่เราท่องกันในภาษาไทยที่เพี้ยนเป็นอโรคยาปรมาลาภานั้น ความจริงภาษาบาลีเป็นอะโรคียะปารมาลาภาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความหมายที่แท้จริงไม่ได้มุ่งหมายเพียงไม่มีโรคกายที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนั้นพระองค์หมายถึงพ ร, นนระนิพพานอะโรคียะนี้หมายถึงพระนิพพาน พระนิพพานเป็นภาวะไรโรคคือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับมาคันดิยะท่านมาคันดิยะไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าอ้างสุภาษิตเก่าว่าอารโรคิยะปรมาลาพาในที่นี้เขามีความเข้าใจว่าเป็นโรคกายแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ได้มีความหมายแคบเท่านั้น แต่หมายถึงความไม่มีโรคทางจิตใจด้วยใช้ได้ทุกระดับสาหรับชาวบ้านก็ใช้ในระดับธรรมดาแต่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรในมัชฌิมานิกายหมายถึงพระนิพพานเลยเป็นภาวะไม่มีโรคโดยสมบูรณ์หมายความว่าพาสิทธิ์นี้ใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนกระทั่งถึงบรรลุนิพพานแต่ให้รู้ความหมายแต่ละขั้นแต่ละขั้น ความหมายของคำว่ากุศลก็ให้เข้าใจตามลักษณะที่ว่ามานี้ส่วนที่เป็นอกุศลก็ตรงข้ามดังได้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจเป็นอย่างไรโทรสะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรลักษณะก็จะผิดกันให้เห็นชัดๆว่าผลมันเกิดทันทีอย่างที่เรียกว่าเป็นสันติโกเห็นเองเห็นทันตา คำที่เนื่องกันอยู่กับกุศลละกุศลก็คือคำว่าบุญและบาปบุญกับกุศลและบาปกับอกุศลต่างกันอย่างไรในที่หลายแห่งใช้แทนกันได้อย่างในพุทธพจน์ที่ตรัสถึงเรื่องประทานคือความเพียนสีก็จะตรัสคำว่าอกุศลกับคำว่าบาปไปด้วยกันอยู่ในประโยคเดียวกันคือเป็นข้อความที่ช่วยขยายความซึ่งกันและกัน เช่นว่าภิกษุยังฉันท่าให้เกิดขึ้นระดมความเพียรเพื่อปิดกั้นบาปอากุศลธรรมซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสังวรประทานสแสดงให้เห็นว่าบาปกับอกุศลมาด้วยกันแต่สำหรับบุญกับกุศลท่านบอกว่ามันมีความกว้างแคบกว่ากันอยู่หน่อยคือกุศลนั้นใช้ได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นคากลาง และเป็นคำที่ใช้ในทางหลักวิชาการมากกว่าบางทีก็ระบุว่าโลกิยะกุล์โลกุตระกุศลแต่ถ้าพูดเป็นกลางๆจะเป็นโลกิยะก็ได้เป็นโลกุตรัก็ได้ส่วนคำว่าบุญนั้นนิยมใช้ในระดับโลกิยะแต่ก็ไม่เสมอไปมีบางแห่งเหมือนการที่ท่านใช้ในระดับโลกุตระอย่างที่แยกเรียกว่าโอปัติกะปุญญา ปลว่าบุญที่เนื่องด้วยอุปัิและอนุปัิกา บ, บุญญะไม่เนื่องด้วยอุปัิเป็นตน้นหรือบางทีใช้ตรงๆงว่าโลกุตระปุญญาบุญในระดับโลกุตระแต่โดยทั่วไปแล้วบุญใช้ในระดับโลกิยะส่วนกุศลเป็นคำกลางๆงใช้ได้ทั้งโลกิยาและโลกุตระนี่เป็นความกว้างแคบกว่ากันนิดหน่อยระหว่างบุญกับกุศล ในแง่รูปสัพท์ซึ่งก็อาจจะเอาไปช่วยประกอบเวลาอธิบายเรื่องกรรมได้แต่เป็นเรื่องเกล็ดไม่ใช่เป็นตัวหลักแท้บุญในยะหนึ่งแปลว่าเป็นเครื่องชําระสันดานเป็นเครื่องชําระล้างทําให้จิตใจสะอาดในเวลาที่สิ่งซึ่งเป็นบุญเกิดขึ้นในใจเช่นมีเมตตาเกิดขึ้นก็ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสทำให้หายเศร้าหมองหายสกปรกความหมายต่อไปพวกนักวิเคราะห์ศัพท์แปลบุญว่านำมาซึ่งการบูชาหรือทําให้เป็นผู้ควรบูชาคือใครก็ตามสั่งสมบุญไว้สั่งสมความดีเช่นสั่งสมศรัทธาเมตตากรุณามุติตาผู้นั้นก็มีแต่คุณธรรมมากมายซึ่งทาให้เป็นผู้ควรบูชา ฉะนั้นความหมายหนึ่งของบุญก็คือทำให้เป็นคนน่าบูชาและอีกความหมายหนึ่งก็คือทำให้เกิดผลที่น่าชื่นชมเพราะว่าเมื่อเกิดบุญแล้วก็มีวิบากที่ดีงามน่าชื่นชมจึงเรียกว่ามีผลอันน่าชื่นชมใกล้กับพุทธพจน์ ท, ที่ว่าสุขัดเสตังอธิวัจนังยะทิทางบุญญาน้ซึ่งแปลว่า ภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็สบายมีความเอิบอิ่มผ่องใสบุญก็เป็นชื่อของความสุขนี้เป็นอย่างๆที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุญส่วนบาปนั้นตรงกันข้ามบาปนั้นโดยตัวอักษรหรือโดยพยัญชนะ แล้วว่าสภาวะที่ทำให้ถึงทุกขติหรือทำให้ไปในที่ชั่วหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตตกตำ่ำพอบาปเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นโทสะโลภเกิดขึ้นจิตก็ตกต่ำลงไปและนำไปสู่ทุกขติด้วยและท่านให้ความหมายโดยพยานชนะอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่คนดีพากัน ร, รักษาตนให้ปราศจากไป หมายความว่าคนดีทั้งหลายจะรักษาตนเองให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นบาปเป็นสิ่งที่คนดีละทิ้งพยายามหลีกหลบเลี่ยงหนีไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นความหมายประกอบซึ่งอาจจะเอาไปใช้อธิบายเป็นเกรดได้ไม่ใช่ตัวหลักแท้เอามาพูดรวมไว้ด้วยในแง่ต่างๆที่เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรม เท่าที่ได้บรรยายมานี้เมื่อว่าโดยสรุปก็มีความสำคัญที่จะต้องมองอยู่สี่ประการคือหนึ่งกรรมเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยถ้าจะอธิบายลงลึกก็ต้องโยงเข้าไปในเรื่องไตรวัตคือกิเลสกรรมและวิบากเข้าสู่หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ก็แนวหนึ่งสอง จะต้องรู้ว่าเรื่องกรรมนี้เป็นนิยามหนึ่งเป็นกฎหนึ่งในบรรดานิยามห้าเท่านั้นอย่เมาทุกอย่างเข้าเป็นกรรมหมดต้องแยกแยะเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง3ต้องแยกหลักกรรมออกจากลทัทธิผิดสามอย่างให้ได้ด้วยคือลทัทธิปุเพกตะวาดลทัทธิอิสวดนิรมิตาวาดและละทัทธิอเหตุววาดสี่ ให้นำความเข้าใจความหมายของกุศลอกุศลมาช่วยในการอธิบายในแง่ลึกให้เห็นผลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับจิตใจให้เข้าใจความหมายของก ร, รมที่แท้จริงที่อยู่ในจิตใจซึ่งก็มีผลทันทีทันตาความสำคัญของมโนกรรมค่านิยม กำหนดวิถีชีวิตและสังคมทีนี้ก็ขอผ่านไปยังเรื่องการให้ผลของกรรมอย่างที่บอกเราว่าเราได้ยินบ่อยๆเกี่ยวกับการอธิบายการให้ผลของกรรมแบบโลดผลเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบที่ว่าทําให้สัตว์ขาหักแล้วต่อมาตัวเองไปถูกรถทับขาหักอะไรทํานองเนี้ยได้ยินกันบ่อย จนบางทีทำให้รู้สึกว่ากรรมเป็นอำนาจเร้นลับอย่างหนึ่งซึ่งลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันคอยจ้องจะมาลงโทษเราถ้าอธิบายแบบนี้ก็มีปัญหาที่บอกแล้วว่าคนที่เป็นนักคิดเหตุผลจะไม่ค่อยยอมรับลองมาหาทางพิจารณากันดูว่าเราจะสามารถอธิบายในแง่สืบสาวเหตุปัจจัยได้อย่างไรความเป็นเหตุเป็นผลนั้น อยู่ที่การสืบสาวเหตุปัจจัยให้เห็นว่าแต่ละอย่างมันเชื่อมโยงกันสืบทอดและต่อเนื่องกันอย่างไรจึงมาออกผลอย่างนี้ถ้าอธิบายตรงนี้ได้คนจะต้องยอมรับการที่จะอธิบายอย่างนี้ได้ก็ต้องลงไปถึงจุดเริ่มของมันคือถึงขั้นจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมีสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม ในบรรดากรรมสามอย่างนั้นกรรมที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็ได้แก่มโนกรรมคือกรรมทางใจกรรมทางใจนอกจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นจุดเริ่มด้วยการกระทําที่จะออกมาเป็นวัจีกรรมและกายกรรมได้ก็เพราะเกิดขึ้นเป็นมโนกรรมก่อนคนเราต้องคิดก่อนคิดขึ้นมาในใจคิดชั่วเราจึงพูดชั่วทําชั่ว ถ้าพูดชั่วขึ้นเฉยๆก็เป็นเพียงปากเผลอเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวกรรมคนจะทำอะไรก็เริ่มจากใจที่เรียกว่ามนโนกรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามนโนกรรมสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสโดยทรงเปรียบเทียบกับลัทธินิครนในลัทธินิครนเขาเรียกกรรมว่าทันทะซึ่งแบ่งออกเป็นสามคือกายทันทะ วจีทันทะมโนธันทะและบอกว่ากายทันทะสำคัญที่สุดเพราะว่าเพียงลำพังคิดอย่างเดียวไม่ทำให้ตายได้แต่ถ้าเป็นกายทันทะเอามีดมาไปถึงฟันคอตายแน่ๆหรือว่าช่วยปืนมายิงก็ตายลำพังคิดไม่ตายเพราะฉะนั้นลัตที่นิครนถือว่ากายทันทะสำคัญที่สุด แต่พระพุทธศาสนาถือว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดเพราะมโนกรรมเป็นเริ่มต้นบุคคลก็ดีสังคมก็ดีจะเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามมโนกรรมเป็นใหญ่มโนกรรมเป็นตัวกาหนดวิถีหรือชี้แนวทางให้ความคิดความนิยมความเชื่อถือเป็นตัวกากับการที่สำคัญเช่นชีวิตคนคนหนึ่งมีความชอบในอะไรฝ่ในอะไร ก็จะดำเนินไปตามวิถีทางที่ชอบที่ายนั้นสมมุติว่าเด็กคนหนึ่งเกิดชอบบวชพระชอบผมผ้าเหลืองเห็นเนรแล้วก็อยากเป็นเนรบ้างความฝักใ่พอใจอันนี้ก็มาหล่อล้อมทำให้เขาคิดที่จะบวชต่อมาเขาก็อาจจะบวชแล้วก็อยู่ในพระศาสนาไปแต่อีกคนหนึ่งจิตชอบใยไปในทางที่อยากได้ของของคนอื่นโดยไม่ต้องทาอะไรก็อาจจะไปลักขโมย วิถีชีวิตก็จะหันเหไปอีกแบบหนึ่งนี้คือเรื่องของมโนกรรมที่มีผลบันดาลชีวิตทั้งชีวิตให้เป็นไปความนิยมความชอบความเชื่อถือต่างๆนี้เป็นเครื่องกำหนดชีวิตของคนพระพุทธศาสนามองในขั้นลึกซึ้งอย่างนี้จึงถือว่ามโนกรรมสำคัญ แม้แต่สังคมมนุษย์ที่จะเป็นไปอย่างไรก็เริ่มจากมโนกรรมอย่างที่ปัจจุบันนี้ชอบเรียกว่าค่านิยมสังคมมีค่านิยมอย่างไรก็จะชักนำลักษณะการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้นให้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นคนในสังคมหนึ่งถือว่าถ้าเรารักษาระเบียบวินัยได้เคร่งรัดก็เป็นคนเก่งความเก่งกล้าสามารถอยู่ที่ทาได้ตามระเบียบแบบแผน ความนิยมความเก่งในแง่นี้ก็เรียกว่าเป็นค่านิยมที่จะรักษาระเบียบคนพวกนี้ก็จะพยายามรักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัดจนอาจทำให้ประเทศนั้นสังคมนั้นมีระเบียบวินัยดีส่วนในอีกสังคมหนึ่งคนอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งมีค่านิยมอีกแบบหนึง่งโดยมีความชื่นชมว่าใครไม่ต้องทำตามระเบียบได้ใครฝืนระเบียบได้ ใครมีอภิสิทธิ์ไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ได้เป็นคนเก่งในสังคมแบบนี้คนก็จะไม่มีระเบียบวินยัยเพราะถือว่าใครไม่ต้องทำตามระเบียบได้คนนั้นเก่งขอให้ลองคิดดูว่าสังคมของเราเป็นสังคมแบบไหนมีค่านิยมอย่างไรนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความฝ่ความชอบอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตใจเป็นตัวนำ เป็นเครื่องกำหนดวิถีชีวิตของบุคคลและเป็นเครื่องชี้นาชะตากรรมของสังคมสังคมใดมีค่านิยมที่ดีงามเอื้อต่อการพัฒนาสังคมนั้นก็มีทางที่จะพัฒนาไปได้ดีสังคมใดมีค่านิยมต่ำารามขัดถ่วงการพัฒนาสังคมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมพัฒนาได้ยากจะประสบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอย่างมากมาย ถ้าจะพัฒนาสังคมนี้ให้ก้าวหน้าถ้าต้องการให้สังคมเจริญพัฒนาไปได้ดีก็จะต้องแก้ค่านิยมที่ผิดพลาดให้ได้และต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นด้วยเรื่องค่านิยมนี้เป็นตัวอย่างเด่นชัดอย่างหนึ่งของมโนกรรมมโนกรรมเป็นสิ่งสำคัญมากมีผลระยะยาวลึกซึ้งและกว้างไกลครอบคลุมไปหมดพระพุทธศาสนาถือว่าค่านิยมเป็นสิ่งสาคัญมาก และมองที่จิตใจเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องกรรมจะต้องให้เข้าใจถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามโนกรรมสำคัญที่สุดและให้เห็นว่าสำคัญอย่างไรนี่คือจุดที่หนึ่งจิตสำนึกจิตไร้สำนึกผวังขจิตวิถีจิต สืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้นก็ทำให้ต้องมาศึกษาเรื่องจิตจิตใจของคนเรานี้คิดนึกอะไรต่ออะไรสิ่งที่พูดและทำก็เป็นไปตามจิตใจแต่จิตใจเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนบางครั้งและในเรื่องบางอย่างเราบอกไม่ถูกด้วยซ้ำว่าตัวเราเองเป็นอย่างไรบางทีเราทำอะไรไปอย่างหนึ่งเราบอกไม่ถูกว่าทำไมเราจึงทำอย่างนี้ เพราะว่าจิตใจนั้นมันมีความสลับซับซ้อนมากตามหลักพุทธศาสนานั้นมีการแบ่งจิตเป็นสองระดับคือจิตระดับวิถีกับจิตระดับผวังจิตระดับผวังเป็นจิตที่เป็นองค์แห่งภพเป็นระดับที่เราไม่รู้ตัวเรียกว่าไร้สํานึกภพจะเป็นอย่างไรชีวิตแท้แท้ที่กรรมออกผลจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่ผวัง แม้แต่จุติปฏิสนธิก็เป็นผวังขจิตฉะนั้นเราจะมาพิจารณาเฉพาะจิตในระดับที่เรารู้สำนึกกันนี้ไม่ได้การพิจารณาเรื่องกรรมนี้จะต้องลึกลงไปถึงขั้นจิตต่ำกว่าสำนึกลงไปอย่างที่เราใช้ศัพท์ว่าผวังในจิตวิทยาสมัยนี้ก็มีหลายสาขาหลายสํานักซึ่งมีกลุ่มสาคัญที่เขาศึกษาเรื่องจิตแบบนี้เหมือนกัน เขาแบ่งจิตเป็นจิตสำนึกกับจิตไร้สานึกจิตสำนึกก็คือจิตที่รู้ตัวที่พูดสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆอย่างที่รู้ๆกันอยู่เรียกว่าจิตสำนึกแต่มีจิตอีกส่วนหนึ่งเป็นจิตไร้สำนึกไม่รู้ตัวจิตที่ไร้สานึกนี้เป็นจิตส่วนใหญ่ของเราเขาเทียบเหมือนภูเขาน้าแข็งที่อยู่ในน้ำน้าแข็ง่วนที่อยู่ใต้น้ามีมากกว่า และมากกว่าเยอะแยะด้วยส่วนที่โผล่มามีนิดเดียวคือจิตสำนึกที่เรารู้ตัวกันอยู่พูดจากันอยู่นี้แต่ส่วนที่ไม่รู้สำนึกหรือไรสำนึกนั้นเหมือนก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้พื้นน้ำซึ่งมีมากกว่าเยอะแยะเป็นจิตส่วนใหญ่ของเราการศึกษาเรื่องจิตนั้นจะต้องศึกษาไปถึงขั้นจิตไรสานึกที่เป็นจิตส่วนใหญ่มิฉะนั้นแล้วจะรู้นิดเดียวเท่านั้นเอง การพิจารณาเรื่องกรรมก็จะต้องเข้าไปให้ถึงจุดนี้ในเรื่องไร้สำนึกนี้มีแง่ที่เราควรรู้อะไรบ้างแง่ควรรู้ที่หนึ่งคือที่บอกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้จิตจะบันทึกเก็บไว้หมดไม่มีลืมเลยนี่เป็นแง่ที่หนึ่งตามที่เข้าใจกัน ธรรมดานี้เราลืมสิ่งทั้งหลายที่ได้ประสบนั้นเราลืมเยอะแยะลืมแทบทั้งหมดจําได้นิดเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องของจิตสำนึกแต่ตามความเป็นจริงความจําเหล่านั้นยังคงอยู่ในจิตไร้สำนึกสิ่งที่ศบทราบคิดนึกทุกอย่างตั้งแต่เกิดมามันจําไว้หมดแล้วถ้ารู้จักทำดีก็ดึงเอามันออกมาได้ด้วย นักจิตวิทยาบางสมัยสนใจเรื่องการสะกดจิตมากเพราะเหตุผลหลายอย่างเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสะกดจิตแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนนั้นระลึกเอาเรื่องราวเก่าๆสมัยเด็กเช่นเมื่อหนึ่งขวบสองขวบเอาออกมาได้ซึ่งแสดงว่าประสบการณ์เหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนยังอยู่หมดนี้เป็นแง่ที่หนึ่ง จิตไร้าสานึกจุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรมที่ว่ามันนี้มีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับกรรมก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดสิ่งที่เราคิดเรานึกทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนเลยยังคงอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมดเพียงแต่เราไม่รู้ตัวและเราลึกออกมาโดยจิตสานึกไม่ได้เท่านั้น เราสามารถเอาวิชาการสมัยใหม่ที่เขาศึกษาวิจัยวิเคราะห์กันที่หลังนี้มาประกอบการศึกษาเรื่องกรรมได้ด้วยทาให้เห็นว่าวิธีการสมัยใหม่ในยุคหลังนี้ก็เป็นเครื่องช่วยย้ำสนับสนุนให้เห็นว่าหลักความจริงของจิตเป็นอย่างไรสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์นี้จิตเราไม่ได้ลืมเลยแล้วก็เป็นอันว่าจิตสังสมไว้ทุกอย่าง เมื่อสั่งสมแล้วก็ไม่ได้สั่งสมไว้เฉยๆมันมีผลต่อตัวเราทั้งหมดด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ตัวสภาพจิตส่วนที่ปรุงแต่งชีวิตของเรนี้ส่วนมากเป็นจิตที่ไม่รู้ตัวตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีจิตโกรธบ่อยๆเป็นคนฉุนเฉียวพบอะไรขัดใจนิดก็แสดงโทสะแสดงความเครียวกราดออกมาให้จิตกำเริบอยู่เสมอต่อไป ถ้าสั่งสมสภาพจิตอย่างนี้ก็จะกลายเป็นนิสัยทําให้เป็นคนโกรธง่ายความโกรธง่ายจะเป็นลักษณะจิตใจเป็นนิสัยต่อมาสภาพจิตก็แสดงออกมาทางหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดเก่งกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าบุคลิกภาพและออกมามีผลทั้งต่อตนและจากผู้อื่นคนที่พบเห็นเขาก็ไม่อยากคบไม่อยากพูดจาเท่าไหร่ เขากลัวเขาอยากจะหลีกเลี่ยงกลัวจะเกิดเรื่องอะไรทำนองนี้แล้วก็กลับมามีผลต่อชีวิตของตนเองรวมความว่าเรื่องก็เป็นมาในลักษณะที่ว่าจากความคิดจิตใจก็ออกมาเป็นลักษณะ น, นิสัยเป็นบุคลิกภาพแล้วก็เป็นวิถีชีวิตคนนั้นและความมีนิสัยอย่างนี้มีความโน้มเอียงอย่างนี้ก็ชักจูงตัวเขาเองชวนให้ไปพบกับประสบการณ์ต่าง และสถานการณ์ที่ทําให้เกิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมาส่วนในทางตรงข้ามคนที่มีจิตเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสคิดนึกเรื่องดีๆเสมอเวลาพบอะไรจิตใจก็มองไปในแง่ดีสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสต่อมาหน้าตาก็เป็นหน้าตาที่ยิ้มแย้มเป็นคนมีสเสน่ห์น่าชมชวนให้คบหาแล้วทั้งหมดนั้นก็ออกมาเป็นผลต่อชีวิตของเขาต่อไปด้วย นี่ก็เป็นเรื่องของการสั่งสมแง่ต่อไปคือเมื่อจิตไร้สำนึกนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนที่มีกำลังมากจิตของเรานี้เราเอามาใช้งานนิดหน่อยเท่านั้นความจริงมันมีกำลังมากมายที่เราไม่รู้ตัวและยังไม่รู้จักดึงเอามาใช้แต่เราจะเห็นตัวอย่างได้ว่าจิตมีกำลังขนาดไหน ในเมื่อเหตุการณ์ที่บังคับตัวไม่ได้เช่นเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นเขาเล่ากันว่าบางคนยกตุ่มน้ำได้หรือวิ่งหนีด้วยความตกใจมาถึงรั้วแห่งหนึ่งซึ่งสูงปกติแล้วกระโดดข้ามไม่ได้แต่ด้วยความกลัวหนีภัยมานั้นสามารถกระโจนข้ามไปได้เรื่องอย่างนี้เราได้ยินกันบ่อยๆแสดงให้เห็นว่าที่จริงจิตของเรานั้น มีความสามารถอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแต่ตามปกติเราไม่รู้จักใช้มันมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ตอนนี้ความสามารถนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตไร้สำนึกนั้นตอนที่เราหนีภัยด้วยความตกใจก็ดีหรือตอนที่เราแบกตุ่มน้ำหรือของหนักเวลาไฟไหม้ก็ดีตอนนั้นเราข่มสติไม่อยู่จิตสำนึกของเราไม่ทำงาน แต่ถูกจิตไร้สํานึกกํากับการมันออกมาแสดงบทบาททําให้เราทําอะไรได้แปลกๆพิเศษออกไปหรืออย่างในเวลาสะกดจิตทําให้เอาเข็มแทงไม่เจ็บสามารถสะกดจิตแล้วผ่าตัดบางอย่างได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนี่เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งมีส่วนที่เราไม่รู้จักอีกมากพวกนักจิตวิเคราะห์ก็มาศึกษากันนักจิตวิเคราะห์คนสําคัญชื่อนายซิกมุนฟรอย เขาได้ศึกษาเรื่องจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกนี้มากที่ว่าจิตเป็นตัวปรุงแต่งสร้างสรรนั้นจิตสำนึกได้แต่คิดปรุงแต่งเบื้องต้นเท่านั้นตัวปรุงแต่งสร้างสรรแท้จริงที่สร้างผลออกมาแก่ชีวิตส่วนใหญ่เป็นนิสัยเป็นบุคลิกภาพตลอดจนเป็นชะตากรรมของชีวิตนั้นอยู่ที่จิตไร้าสานึกที่เราไม่รู้ตัวแต่มันทางานของมันอยู่ตลอดเวลา จะชักตัวอย่างหนึ่งมาแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมซึ่งอาจจะช่วยให้เห็นทางเป็นไปได้มากขึ้นว่าวิธีการศึกษาแบบสมัยใหม่จะมาสนับสนุนการอธิบายเรื่องกรรมอย่างไรนายซิกมุนฟรอย์เล่าให้ฟังถึงกรณีหนึ่งว่าเด็กผู้หญิงอายุ17ปีชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านกับผู้ชายคนหนึ่งพ่อไม่พอใจมากวันหนึ่งก็ทะเลาะ ก, กับพ่อพ่อโกรธมาก ก็ทุบหน้าเด็กหญิงคนนี้เด็กคนนี้เจ็บก็โกรธมากอารมณ์บุบขึ้นมาก็เงื้อแขนขวาขึ้นมาจะทุบพ่อบ้างพอเหงือขึ้นไปแล้วจะทุบลงมาก็ชะงักเงือค้างนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นพ่อของเราเราไม่ควรจะทำร้ายก็ยังไว้ได้แต่ก็ยังถือว่าตัวทำถูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อก็โกรธไม่ยอมพูดด้วยต่อมาเช้าวันหนึ่ง อยู่ดีๆเด็กคนนี้ยกแขนขวาไม่ขึ้นแขนที่ใช้จะตีพ่อนั้นขยับเขยื้อนไม่ได้เลยเรียกว่าใช้ไม่ได้เหมือนเป็นอมภาตหมอทางกายตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแขนก็แข็งแรงเส้นเอ็นประสาทอะไรก็ไม่บุกร่องเสียหายลองนึกเทียบกับคนที่ไปฟังผลสอบพอรู้ว่าสอบตกก็เขาอ่อนยืนไม่อยู่ทั้งที่ร่างกายกำยำล่ําสัน หรือคนที่ได้ยินสารตัดสินประหารชีวิตอะไรจำพวกนี้อันนี้ถ้าเราอธิบายแบบหัก้าไก่แล้วขาหักก็เรียกว่าเป็นกรรมสนองแล้วแต่ในกรณีนี้เขาเอาเรื่องจริงมาศึกษาวิเคราะห์ตามแบบวิทยาศาสตร์และพยายามอธิบายตามแบบนักจิตวิเคราะห์ศึกษาไปได้ความแล้วเขาก็อธิบายว่าจิตไร้สานึกของเด็กคนนี้แสดงตัวออกมาทางาน ในเวลาที่จิตไร้สำนึกทำงานแล้วจิตสำนึกสู้ไม่ได้ก็อยู่ในอำนาจของมันจิตไร้สานึกทำงานเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลคือความรู้สึกขัดแย้งเกิดขึ้นเขารู้ว่าการตีพ่อเนี่ยไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทุบตีจริงแต่เขาก็เงื้อแขนขึ้นกำลังจะทำอาการนั้นแล้วอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่อาจยอมรับผิดได้เพราะก็ถือว่าเรื่องที่เขาทะเลาะกับพ่อนั้นเขาไม่ผิดจิตสำนึกแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้ความรู้สึกขัดแย้งก็หนักหน่วงท่วมทับฝังลึกลงไปในที่สุดการที่เขาเกิดอาการแขนขยับขยื้อนไม่ได้นั้นเป็นด้วยหนึ่งจิตไร้สำนึกนั้นต้องการขอความเห็นใจจากพ่อด้วยอาการที่เขาขยับขยื้อนแขนไม่ได้ เขาเกิดไม่สบายมีอาการผิดปกติไปแล้วมันจะช่วยให้พ่อเขาเห็นใจเขาได้เหมือนกับยกโทษให้โดยอ้อมโดยไม่ต้องพูดขอโทษและก็ไม่ต้องบอกว่ายกโทษแต่ที่แสดงออกมาอย่างนี้จิตสํานึกไม่รู้ตัวจิตไร้สํานึกเป็นผู้ทํางานและสองเป็นการชดเชยความรู้สึกที่ว่าได้ทําผิดเหมือนว่าได้ลงโทษตัวเอง มีการลงโทษเสร็จไปแล้วเพราะความคิดภายนอกถือว่าตัวเองทำถูกแล้วไม่ยอมไปขอโทษพ่อยังไปคบหาผู้ชายยังออกไปนอกบ้านตามเดิมแต่ในจิตส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าที่ได้ทะเลาะ ก, กับพ่อแสดงกับพ่ออย่างนั้นเป็นความผิดแล้วความรู้สึกขัดแย้งนี้ก็ลงลึกไปอยู่ในจิตไร้สานึกแล้วก็ชดเชยออกมาโดยการแสดงอาการให้เห็นว่า มันได้ถูกลงโทษแล้วเป็นอันว่าฉันได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วจะได้พ้นความรู้สึกขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้เด็กนั้นแกก็เลยขยับขยื่นแขนไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีโรคหรือความผิดปกติทางร่างกายเลยสักนิดเดียวแพทคนหาเหตุแล้วไม่พบปัจจุบันก็มีอย่างนี้บ่อยๆคนที่เป็นโรคทางกายมีอาการปวดศรีรษะ หาสาเหตุไม่พบต่างๆเหล่านี้จิตแพทย์ที่ชำนาญจะต้องค้นหาเหตุทางจิตใจนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามองเผินหรือมองช่วงยาวข้ามขั้นตอนก็เป็นว่าจะตีพ่อต่อมาแขนที่จะตีพ่อก็เสียใช้ไม่ได้หมายความว่าจิตไร้สำนึกของเราทำงานอยู่เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันไม่ลืมถ้าได้ทาความชั่วอะไรสักอย่าง จิตก็ไปผวพันอยู่แล้วไปปรุงแต่งอยู่ข้างในเจ่นจักพาให้จิตโน้มเอียงไปหาสภาพอย่างนั้นอยู่เรื่อยหรือปรุงแต่งความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนั้นสมมุติว่าไปหักขาไก่ไว้จิตก็สะสมความรู้สึกและภาพนี้ไว้ในจิตไร้สำนึกแล้วมันก็ปรุงแต่งของมันวนเวียนอยู่นั่นเองออกไปไม่ได้จิตครุ่นคิดแต่เรื่องขาหักขาหักขาหัก แล้วจิตไร้สำนึกนั้นก็คอยหาโอกาสชักพาตัวเองไปหาเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การที่ตัวเองจะต้องขาหักหรือต่อไปไปเกิดใหม่มันก็เลยปรุงแต่งขาตัวเองหักไปเลยเป็นต้นนี้เป็นการอธิบายรวบรัดให้เห็นทางเป็นไปได้ต่างๆซึ่งแม้ในทางจิตวิทยาสมัยใหม่ก็เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ แต่ผลที่สุดมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยในกระบวนการของจิตเป็นเรื่องของกรรมนี่เองนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นอย่างผิวเผินซึ่งเรื่องจิตนี้เรายังจะต้องศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่ควรพลีพผลมเอาความคิดเหตุผลอย่างง่ายๆของตนไปตัดสินเหตุผลที่อยู่ในวิสัยอีกระดับหนึ่งที่เลยขึ้นไปหรือสรุปเอาเรื่องที่สลับซับซ้อนลงไปอย่างง่ายๆ และให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาการสมัยใหม่บางอย่างอาจจะมาช่วยอธิบายสนับสนุนคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีและเดี๋ยวนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม่อย่างนักจิตวิเคราะห์หลายคนทีเดียวก็มาเลื่อมใสในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเอาไปใช้ในการศึกษาเรื่องจิตใจและแก้ปัญหาเรื่องโรคจิต เท่าที่พูดแทรกเข้ามาในตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตของคนหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมนี้ก็ทำงานสัมพันธ์กับจิตใจนั่นเองคือสัมพันธ์กับจิตตนิยามจิตตนิยามกับกรรมมนิยามต้องไปด้วยกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันในที่นี้เป็นเพียงต้องการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอานาจเร้นลับมหศัศจรรย์นั้น มันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่เองซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความสัมพันธ์สืบเนื่องโยงกันอยู่ให้เห็นได้เป็นต่วว่าตอนนี้เรายัางไม่มีความสามารถที่จะแยกแยกเหตุปัจจัยนั้นออกมาให้เห็นชัดเจนเท่านั้นเองเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้อย่างนี้พอให้เห็นแนวทางแล้วถ้าท่านสนใจก็อาจจะศึกษาต่อไปเป็นเรื่องของการคนา้นคว้า เรา อ, อาจจะโยงหลักอภิธรรมเรื่องของจิตทั้งเรื่องวิถีจิตและพวังคจิตกับทั้งเรื่องจิตสํานึกและจิตไร้สํานึกของจิตวิทยาสมัยใหม่เอามาเทียบเคียงกันอันไหนเสริมกันก็จะได้นํามาช่วยประกอบการอธิบายให้ดียิ่งขึ้นไปขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อน การให้ผลของกรรมระดับภายนอกสมบัติสี่วิบัติสี่แง่ต่อไปเกี่ยวกับการได้รับผลกรรมอีกระดับหนึ่งอย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วและมีผู้ชอบแย้งว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยฉันทําดีแต่ได้ชั่วไอ้คนทําชั่วมันกลับได้ดี นี่ก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งก็ต้องมีแง่มีแนวในการที่จะอธิบายเบื้องแรกเราต้องแยกการให้ผลของกรรมออกเป็นสองระดับคือระดับที่เป็นผลกรรมแท้ๆหรือเป็นวิบากกับระดับผลข้างเคียงที่ได้รับภายนอกยกตัวอย่างเป็นอุปมาจึงจะพอมองเห็นชัดเช่นคนหนึ่งบอกว่าผมขยันทางาน แต่ไม่เห็นรวยเลยแล้วก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีในที่นี้รวยคือได้ดีและขยันคือทำดีทำดีคือขยันก็ต้องได้ดีคือรวยปัญหาอยู่ที่ว่ารวยนั้นเป็นการได้ดีจริงหรือเปล่าถ้าจะให้ชัดก็ต้องหาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเช่นในกอขยันปลูกมะม่วงตั้งใจปลูกอย่างดี พยายามหาวิธีการที่จะปลูกปลูกแล้วปรากฏว่ามะม่วงงอกงามจริงๆแล้วในกอก็มีมะม่วงเต็มสวนแต่ในกอขายมะม่วงไม่ได้มะม่วงเสียเปล่ามากมายในกอไม่ได้เงินในกอก็ไม่รวยในกอก็บ่นว่าผมขยันทําดีปลูกมะม่วงเต็มที่แต่ผลไม่ได้ดีไม่รวย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในกอลำดับเหตุและผลไม่ถูกแยกขั้นตอนของการได้รับผลไม่ถูกต้องในกอทําเหตุคือขยันปลูกมะม่วงก็จะต้องได้รับผลคือได้มะม่วงมะม่วงก็งอกงามมีผลดกบริบูรณ์นี่ผลตรงกับเหตุปลูกมะม่วงได้มะม่วงขยันปลูกมะม่วงก็ดกแต่ในกอบอกว่าไม่ได้เงินไม่รวยคือไม่ได้เงิน ปลูกมะม่วงแล้วไม่ได้เงินนี่ไม่ถูกแล้วปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินได้อย่างไรปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงจะได้เงินได้อย่างไรแสดงว่าในกอพูดลำดับเหตุผลผิดเหตุผลที่ถูกคือปลูกมะม่วงได้มะม่วงแต่ปลูกมะม่วงแล้วรวยหรือปลูกมะม่วงแล้วได้เงินเนี่ยยังไม่ถูกต้องถ้าปลูกมะม่วงแล้วได้มะม่วงมากมาย มะม่วงล้นตลาดคนปลูกทั่วประเทศขายไม่ออกก็เสียเปล่าก็เป็นอันว่าไม่ได้เงินฉะนั้นก็ไม่รวยอาจจะขาดทุนยุบยับก็ได้เราต้องแยกเหตุผลให้ถูกเป็นอันว่าอย่ามาเถียงเรื่องกฎแห่งกรรมเลยไม่ผิดหรอกคุณปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงส่วนจะได้เงินหรือไม่นั้นต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยอื่น ซึ่งเป็นลำดับเหตุและผลอีกช่วงตอนหนึ่งที่จะต้องแยกยะวินิจฉัยต่อไปอีกว่าเช่นว่าคุณขายเป็นไหมรู้จักตลาดไหมตลาดตอนนี้มีความต้องการมะม่วงไหมต้องการมากไหมราคาดีไหมถ้าตอนนี้คนต้องการมะม่วงมากราคาดีจัดการเรื่องขายได้เก่งคุณก็ได้เงินมาจากการขายมะม่วงก็รวยนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่ง คนเราโดยทั่วไปมักจะเป็นอย่างในกรณี้คือมองข้ามขั้นตอนของเหตุผลจะเอาปลูกมะม่วงแล้วรวยจึงยุ่งก็ผิดในเรื่องนี้จะต้องแบ่งลำดับเรื่องเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งบอกแล้วว่าปลูกมะม่วงได้มะม่วงเมื่อได้มะม่วงแล้วขั้นที่สองทำอย่างไรจึงจะได้เงินจึงจะรวยเราต้องคิดสองตอนตอนที่หนึ่ง ถูกต้องตามเหตุปัจจัยแน่นอนแล้วคือปลูกมะม่วงได้มะม่วงหลักกรรมก็เหมือนกันหลักกรรมในขั้นที่หนึ่งคือปลูกมะม่วงได้มะม่วงเหตุดีผลก็ดีเมื่อท่านปลูกเมตตาขึ้นในใจท่านก็มีเมตตามีความแช่มชื่นจิตใจสบายยิ้มแย้มผ่องใสมีความสุขแต่จะได้ผลอะไรต่อไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงให้หลักอีกหลักหนึ่งดังที่ปรากฏในอภิธรรมบอกไว้ว่าการที่กรรมจะให้ผลต่อไปจะต้องพิจารณาเรื่องสมบัติสี่และวิบัติสี่ประกอบด้วยคือตอนได้มะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่ต้องเอาหลักสมบัติสี่วิบัติสี่มาพิจารณาสมบัติคือองค์ประกอบที่อํานวยช่วยเสริมกรรมดีสมบัตินี้มีสี่อย่างเรียกว่าคติ อุปัิกาละและประโยคะ 1. คติคือินที่ทางไปต่างๆเกี่ยวกับสถานที่เทศ ส, สอ 2. อุปธิคือร่างกาย 3. กาละคือการเวลายุคสมัย 4. ประโยคะคือการประกอบหรือการลงมือทรรม นี่เป็นความหมายตามศัพฝ่ายตรงข้ามคือวิบัติก็มีสีเหมือนกันคือถ้าคติอุปธิกาละประโยคะดีช่วยเสริมก็เรียกว่าเป็นสมบัติถ้าหากไม่ดีมาทำลายก็เรียกว่าเป็นวิบัติลองมาดูว่าหลักสีนี้มีผลอย่างไรสมมุติว่าคุณกอกับคุณขอมีวิชาดีเท่ากันขยันนิสัยดีทั้งคู่ ตเขาต้องการรับคนงานที่เป็นคนต้อนรับปัจจุบันเรียกรีเซพชันนิสทำหน้าที่รับแขกปฏิสันทานคุณกอขยันมินิสัยดีทำหน้าที่รับผิดชอบดีแต่หน้าตาไม่สวยคุณขอหน้าตาสวยกว่าเขาก็ต้องเลือกคุณขอแล้วคุณกอจะบอกว่าฉันขยันอุตสาห์ทำดีไม่เห็นได้ดีเลยเขาไม่เลือกไปทำงานแสดงว่าตัวเองมีอุปบัติ เสียในด้านร่างกายหรืออย่างคนสองคนต่างก็มีความขยันมันเพียรมีความดีแต่ว่าคนหนึ่งร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคอดอดแอดแเวลาเลือกคนขี้โรคก็ไม่ได้รับเลือกนี่เรียกว่าอุปธิวิบัติในเรื่องคติคือที่ไปเกิดทินฐานทางดำเนินชีวิตถ้าจะอธิบายแบบช่วงยาวข้ามภพข้ามชาติ ก็เช่นว่าคนหนึ่งทํากรรมดีมาดีมากๆเป็นคนที่สั่งสมบารมีมาตลอดแต่พลาดนิดเดียวไปทํากรรมชั่วนิดหน่อยแล้วเวลาจะตายจิตไปประวัติถึงกรรมชั่วนั้นกลายเป็นอสัญกรรมทําให้ไปเกิด น, นรกสมมุติอย่างนี้พอดีช่วงนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสทั้งที่แกสั่งสมบุญมาเยอะถ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสแกมีโอกาสมากที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ แต่แกไปเกิดอยู่ในภพที่ไม่มีโอกาสเลยก็เลยพลาดนี่เรียกว่าคติวิบัติที่นี้พูดช่วงสั้นในชีวิตประจำวันสมมุติว่าท่านเป็นคนมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดในดงคนป่าแทนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกล้าสามารถอย่างไอน์สไตน์ก็ไม่ได้เป็นอาจจะมีปัญญาดีกว่าไอน์สไตน์อีก จะเพราะไปเกิดในดงคนปา่าจึงไม่มีโอกาสพัฒนาปัญญานั้นนี่เรียกว่าคติเสียก็ไม่ได้ผลนี้ขึ้นมานี่คือเรื่องคติวิบัติข้อต่อไปการวิบัติเช่นท่านอาจจะเป็นคนเก่งในวิชาการบางอย่างศิลปะบางอย่างแต่ท่านมาเจริญเติบโตอยู่ในสมัยที่เขาเกิดสงครามกันวุ่นวาย และในระยะที่เกิดสงครามนี้เขาไม่ต้องการใช้วิชาการหรือศิลปะด้านนั้นเขาต้องการคนที่รบเก่งมีกําลังกายกล้าหาญเก่งกล้าสามารถแข็งแรงและคนมีวิชาที่ต้องใช้ในการทําสงครามท่านก็ไม่ได้รับการยกย่องเ ช, ชิดชูวิชาการและศิลปะพวกนี้เขาก็ไม่เอามาพูดถึงกันเขาก็พูดถึงแต่คนที่รบเก่งสามารถทําลายศัตรูได้มากเป็นต้น นี่เรียกว่าการล่ววิบัติสำหรับท่านหรือนายคนนี้ข้อสุดท้ายคือประโยคาวิบัติมีตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนวิ่งเร็วถ้าเอาการวิ่งมาใช้ในการแข่งขันกีฬาท่านก็อาจมีชื่อเสียงเป็นผู้ชนะเลิศในทีมชาติหรือระดับโลกแต่ท่านไม่เอาความเก่งในการวิ่งมาใช้ในทางดีท่านเอาไปวิ่งราวลักของเขาก็ได้รับผลร้าย เลยเสียคนไปเลยนี่เป็นประโยคะวิบัติว่าที่จริงถ้าไม่มุ่งถึงผลภายนอกหรือผลข้างเคียงสืบเนื่องการเป็นคนดีมีความสามารถการเป็นคนป่าที่มีสติปัญญาดีการมีศิลปะวิชาการที่ชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนการวิ่งได้เร็วมันก็มีผลดีโดยตรงของมันอยู่แล้วและผลดีอย่างนั้น ก็มีอยู่ในตัวในทันทีตลอดเวลาแต่ท่านบอกว่าในการที่จะได้รับผลต่อเนื่องอีกขั้นหนึ่งนั้นเราจะต้องเอาหลักวิบัติสมบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนปลูกมะม่วงเมื่อกี้เนี่ยผลที่แน่นอนคือท่านปลูกมะม่วงท่านได้มะม่วงนิตรงกันเป็นระดับผลกรรมขั้นต้นส่วนในขั้นต่อมาถ้าต้องการให้ปลูกมะม่วงแล้วรวยด้วย ท่านจะต้องรู้จักทําให้ถูกต้องตามหลักสมบัติวิบัติเหล่านี้ด้วยต้องรู้จักกาละเป็นต้นว่าการละสมัยนี้คนต้องการมะม่วงมากไหมตลาดต้องการมะม่วงไหมมะม่วงพันุอะไรที่คนกําลังต้องการสภาพตลาดมะม่วงเป็นอย่างไรมีมะม่วงล้นตลาดเกินความต้องการไหมจะประหยัดต้นทุนในการปลูกและส่งให้ถึงตลาดได้อย่างไร เราควรจะจัดดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่คิดแต่เพียงว่าฉันขยันหมั่นเพียรแล้วก็ทำไปต้องพิจารณาเรื่องสมบัติวิบัตินี้เข้ามาประกอบสถานที่แหล่งนี้เป็นอย่างไรการละสมัยนี้เป็นอย่างไรการประกอบการของเราเช่นการจัดการขายส่งต่างๆนี้เราทำได้ถูกต้องดีไหม ฉะนั้นถ้าเราปลูกมะม่วงได้มะม่วงดีแล้วแต่เราปลูกไม่ถูกกาลสมัยเราไม่รู้จักประกอบการให้ถูกต้องอย่างน้อยก็มีการวิบัติประโยควิบัติขึ้นมาเราก็ขายไม่ออกก็ขาดทุนถึงขยันปลูกมะม่วงก็ไม่รวยการปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำกรรม เป็นอันว่าถ้าชาวพุทธเราจะฉลาดรอบคอบในการทำกรรมก็จะต้องทำให้ถูกทั้งสองชั้นชั้นที่หนึ่งตัวกรรมนั้นต้องเป็นกรรมดีไม่ใช่กรรมชั่วแล้วผลดีชั้นที่หนึ่งก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็ดีได้รับผลดีที่เป็นความสุขมีความสุขเป็นวิบากเป็นต้นผลดีที่ออกมาทางวิถีชีวิตทั่ ว, วไป เช่นความนิยมนับถือต่างๆก็มีดีมีเข้ามาในตัวอยู่แล้วแต่ในชั้นที่สองเราจะให้การงานกิจการของเราได้ผลดีมากดีน้อยเราก็ต้องพิจารณาเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะเข้ามาประกอบด้วยต้องพิจารณาสองชั้นไม่ใช่คิดจะทำดีก็ทำดีดุ่มๆไปเฉยเ อย่างไรก็ตามคนบางคนอาจจะเอาเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะเข้ามาใช้โดยวิธีช่วยโอกาสเช่นการละสมบัติช่วยโอกาสว่าการละสมัยนี้คนกำลังต้องการสิ่งนี้ฉันก็ทำสิ่งเขาต้องการโดยจะดีหรือไม่ก็ช่างมันให้ได้ผลที่ต้องการก็แล้วกันนี่เรียกว่ามุ่งแต่ผลชั้นที่สองแต่ผลชั้นที่หนึ่งไม่คานึง ก็เป็นสิ่งที่เสียหายในทางกรรมฉะนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องมองผลชั้นที่หนึ่งก่อนคือจะทําอะไรก็หลีกเลี่ยงกรรมชั่วและทํากรรมดีไว้ก่อนเมื่อได้พื้นฐานดีนี้แล้วก็คํานึงถึงชั้นที่สองเป็นผลภายนอกซึ่งขึ้นต่อคติอุปธิกาลประโยคะด้วยก็จะทําให้งานของตนนั้นได้ผลดีโดยสมบูรณ์ เป็นอันว่าในการสอนเรื่องกรรมตอนนี้มีสองชั้นคือโตกรรมที่ดีที่ชั่วเองและองค์ประกอบเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะถ้าเราต้องการผลภายนอกเข้ามารวมเราจะต้องให้ชาวพุทธรู้จักพิจารณาและมีความฉลาดในเรื่องคติอุปธิกาละประโยคะด้วยสมมุติว่าคนสองคนทำงานอย่างเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติเหมือนกันดีเหมือนกันทั้งคู่ถ้าร่างกายคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งไม่ดีคนที่ร่างกายไม่ดีเสียเปรียบก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมีอุปธิวิบัติเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวถ้าแก้ที่ร่างกายไม่ได้ก็ต้องเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีให้ดียิ่งขึ้นเมื่อดียิ่งขึ้นคนที่ร่างกายไม่ดีแต่มีคุณสมบัติอื่น เช่นในการทำงานมีความสามารถชานิชนานาญกว่าจนกระทั่งมาชดเชยคุณสมบัติในด้านร่างกายดีของอีกคนหนึ่งไปได้แม้ตัวเองจะร่างกายไม่ดีเขาก็ต้องเอาเพราะเป็นคนมีความสามารถพิเศษนี่ก็เป็นหลักที่มาช่วยสมมุติว่าเรามีร่างกายบกพร่องในด้านอุปธิวิบัติเราก็จะต้องสร้างกรรมดีในส่วนอื่นให้มันเหนือยิ่งขึ้นไป ไม่ใช่ว่าท้อใจว่าทาดีแล้วไม่ได้เป็นการรู้จักเอาหลักเรื่องคติอุปธิกาลประโยคะเข้ามาประกอบและให้เป็นประโยชน์นี่คือเรื่องการให้ผลของกรรมในแง่ต่างๆนำมาเป็นเพียงแง่คิดเพื่อให้เห็นว่าเรื่องกรรมนี้ต้องคิดละหลายแง่และหลายด้านแล้วเราอาจจะเห็นทางออกในการอธิบายได้ดียิ่งขึ้นมีความรอบคอบยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจุดสำคัญก็คือต้องการเชื่อมโยงให้เห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อเราจะไม่ใช่พูดแต่เพียงว่ามีเหตุอันนี้เกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งในเวลาหนึ่งนานมาแล้วสักยี่สิบสาสิปีต่อมาเกิดผลดีอันหนึ่งแล้วเราก็จับมาบรรจกกันโดยเชื่อมโยงเหตุปัจจัยไม่ได้ซึ่งแม้จะเป็นจริงแต่ก็มีน้าหนักน้อยไม่ค่อยมีเหตุผลให้เห็น คนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเราจึงควรพยายามศึกษาสืบสาวเหตุปัใจจัยให้ละเอียดยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ชัดละเอียดออกมาไม่ปรากฏออกมาเต็มที่แต่มันก็พอให้เห็นทางเป็นไปได้คนสมัยนี้ก็ต้องยอมรับในเรื่องความเป็นไปได้เพราะมันเข้าในแนวทางของเหตุปัจจัยแล้วคิดว่าเรื่องกรรมจะพูดไว้เป็นแนวทางเท่านี้ก่อน ท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่ามีปัญหาที่ท่านถามมาหลายข้อด้วยกันปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องปุบเพกตะวาดเป็นเรื่องที่ถามในหลักนี้น่าจะตอบถามว่าทารกที่คลอดมาบางครั้งมีโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือถือกำเนิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลนถ้าไม่อธิบายในแนวปุกเพกตะวาดแล้ว เราควรอธิบายอย่างไรให้เข้าใจง่ายในการตอบปัญหานี้ต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนว่าการปฏิเสธปุกเพกะตะวาาไม่ได้หมายความว่าเราถือว่ากรรมเก่าไม่มีผลแต่ละที่ปุกเพกะตะวาาถือว่าเป็นอะไรอะไรก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้นเอาตัวกรรมเก่าเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยสิ้นเชิงฉะนั้นทาอะไรก็ไม่มีความหมายเพราะแล้วแต่กรรมเก่า ต่อไปจะเป็นอย่างรายกา ร, รเก่าก็ให้เป็นไปทำไปก็ไม่มีประโยชน์นี่คือลัทธิกรรมเก่าแต่ในทางพระพุทธศาสนากรรมเก่านั้นท่านก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีผลมาถึงปัจจุบันที่นี่มาถึงเรื่องที่เด็กคลอดออกมามีโรคที่หาสาเหตุไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลน นี้เราสามารถอธิบายด้วยเรื่องกรรมเก่าตามหลักกรรมนิยามได้ด้วยและอธิบายตามหลักนิยามอื่นๆด้วยเช่นในด้านผีชานิยามว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรในส่วนกรรมพันเพราะกรรมพันเป็นตัวกาหนดได้ด้วยถ้าพ่อแม่มีความบกพร่องในเรื่องบางอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานลูกก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันนี้ผีชานิยามส่วนกรรมมิยาม ถ้าจะอธิบายออกมาในรูปที่ว่าความเหมาะสมของคนที่จะมาเกิดกับคนที่จะเป็นพ่อแม่มันเหมาะกันในแง่กรรมก็สงเคราะห์ตรงนี้ทำให้มาเกิดเป็นลูกของคนนี้และมีความบกพร่องตรงนี้โดยมีพีชานิยามเข้ามาประกอบช่วยกำหนดสำหรับก ร, รณีมาเกิดในครอบครัวที่ลำบากขาดแคลนถ้าเราจะยกให้เป็นเรื่องกรรมเกา่าก็ตัดตอนไป ในเมื่อเขาเกิดมาแล้วในครอบครัวอย่างนี้เราก็ตามไม่เห็นแต่ก็ต้องตัดตอนไปว่าทำกรรมเก่าไม่ดีจึงมาเกิดในครอบครัวขาดแคลนแต่เมื่อเกิดแล้วตามกรรมที่ถูกต้องก็ต้องคิดไปอีกว่าเพราะเหตุที่เกิดในครอบครัวขาดแคลนแสดงว่าเรามีทุนเก่าที่ดีมาน้อยก็ยิ่งจะต้องพยายามทำกรรมดีมากขึ้นเพื่อจะให้ผลต่อไปข้างหน้าดี ไม่ใช่ว่าทำกรรมมาไม่ดีก็ต้องปล่อยแล้วแต่กรรมเก่าจะให้เป็นไปถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ในทางที่ถูกจะต้องคำนึงให้ครบทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ในเมื่อกรรมมีมาไม่ดีก็ยิ่งทำให้จะต้องมีกำลังใจมีความเพียรพยายามแก้ไขปรับปรุงเช่นถ้าหากคนที่เขาเกิดมาร่ำรวยแล้วเขามีความเพียรพยายามเพียงเท่านี้ เขาก็สามารถประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้เราเกิดมาในตระกูลที่ขาดแคลนเราก็ต้องยิ่งมีความเพียรพยายามให้มากกว่าเขาอีกมากมายเราจึงจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้ต้องตั้งจิตอย่างเนี้ยจึงจะถูกต้องในส่วนที่เป็นกรรมเก่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ชื่อว่ากรรมเก่ากรรมเก่าก็คือสภาพชีวิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้สภาพชีวิตของเราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอยู่มีอยู่นี้คือกรรมเก่าคือผลจากกรรมเท่าที่เป็นมาก่อนหน้าเวลานี้ทั้งหมดไม่ว่าจะได้ทำอะไรมาสั่งสมอะไรมาก็รวมอยู่ที่นี่กรรมเก่ามีเท่าไหร่ ก็เรียกว่ามีทุนเท่านั้นจะทำงานอะไรก็ตามจะต้องมองดูทุนในตัวก่อนเมื่อรวมทุนรู้กำลังของตัวถูกต้องแล้วก็เริ่มงานต่อไปได้ถ้าเรารู้ว่าทุนของเราน้อยแพ้เขาเราก็ต้องพิจารณาหาวิธีที่จะลงทุนให้ได้ผลดีบางคนทุนน้อยแต่มีวิธีการทำงานดีรู้จักลงทุนยังได้ผล กลับได้ประสบความสำเร็จดีกว่าคนที่มีทุนมากก็มีฉะนั้นแม้ว่ากรรมเก่าอาจจะไม่ดีคือร่างกายตลอดจนสภาพชีวิตทั้งหมดของเราไม่ดีแต่เราฉลาดและเข้มแข็งไม่ท้อถอยเราก็พยายามปรับปรุงตัวหาวิธีการที่ดีมาใช้ไม่ว่าทุนไม่ค่อยดีมีน้อยก็ทำให้เกิดผลดีได้กลับบรรลุผลสำเร็จกก่านายิงกว่าคนที่ทุนดีด้วยซ้าไป ส่วนคนที่ทุนดีนั้นหากรู้จักใช้ทุนดีของตัวก็ยิ่งประสบความสาเร็จมากขึ้นแต่บางคนทุนดีไม่รู้จักใช้มัวเมาประมาทเสียก็หมดทุนกลับยิ่งแย่ลงไปอีกดังนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงไม่ใช่มัวท้อแท้ท้อถอยอยู่กับทุนเก่าหรือกรรมเก่ากรรมเก่านี้ถือเป็นทุนเดิมซึ่งจะต้องกำหนดรู้แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมเพิ่มพูนให้ดีให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายเรื่องกรรไว้เพียงเท่านี้ถือว่าเป็นเพียงแง่คิดบางอย่างอย่างน้อยก็ถือเอาข้อพิจารณาที่มีอยู่ในคมภีบางอย่างมาช่วยประกอบการอธิบายบางแง่บางด้านส่วนเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปศึกษาพิจารณากันต่อไปรวมทั้งการแยกแยะสืบสาวเหตุปัจจัยและการแก้ไขปัญหาในระดับสังคมด้วย ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้สละเวลากำลังกายกำลังใจมาร่วมกันอบรมพระธรรมทูตครั้งนี้ด้วยจิตมีกุศ ล, ลเจตนาที่จะไปปฏิบัติศาสนากิจเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาและประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยอนุภาพแห่งกุณพระรัตนไตรพร้อมทั้งกุศ ล, ลเจตนานั้นจงเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้มแข็ง ปฏิบัติศาสนาคิดได้สำเร็จผลด้วยดีจงทุกประการโดยทั่วการทุกท่านเทินจบบทปฐกถาและคำบัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตเสียงอานโดยชมรมผลดีขออนุโมทนาเจ้าภาพร่วมจัดทำเสียงอานชุดนี้กับรายชื่อเพิ่มเติมดังนี้นะครับครอบครัวโทสกุลครอบครัวเปี่ยมศักดิ์คุณแม่ทมเจริญสัม พ, พื้น คุณพิมพ์พาดาชัยยศจินดาครอบครัวปรีดีพร้อมพัน์คุณวานิสาเมเดลคุณสุพมาศบุญประเสริฐคุณกัมพลพิพัฒ ช, ชูเกียรติคุณอนัญญาทองทุมครอบครัวเตชะวันวานิชกรครอบครัวชัยรัตคุณเกียรติศักดิ์ปียโพธิกุลคุณภัยจิตงามสุริยาพงคุณสมศรีนุดนวลคุณอมพรเหรียญทองเด็กหญิงอนัญญาสุชาติธรรมขออนุโมทนากับทุกท่านและผู้ประสงค์ไม่ออกนามด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณในจิตเมตตาของทุกท่านที่เห็นความสำคัญในงานของชมรมผลดีและร่วมกันส่งต่อผลักดันสนับสนุนให้ชมรมทำงานต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของสังคมและพระศาสนานะครับการให้ปัญญายอมได้ปัญญาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่นำความสุขความเจริญมาให้สำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทาเสียงอ่านหนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงในแต่ละเล่ม ติดตามรายละเอียดได้ทุกเย็นวันศุกร์ที่แฟนเพจโจโชเสียงธรรมโจโจ้ดอทเนตนะครับสัพพธทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมโจโชเสียงธรรมจมรมผลดีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564